แนะนำบ ท, บทอัตตุรบทอัตตุรเป็นบทมักกียามี49องค์การที่กล่าวถึงปัญหาหลักเกี่ยวกับหลักการศรัทธาของอิสลามบทนี้ได้เริ่มต้นกล่าวถึงความน่ากลัวและความโกลาหลของวันเกียร์มาที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบเห็นในสรานการณ์อันน่าสะเพรื่อคือสถานการณ์แห่งการสอบสวนไม่มีผู้ใดที่จะข้ามปรามหรือปกป้องจากการลงโทษได้ การสาบาด้วยสิ่งต่างๆห้าอย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องบท น, นี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยําเพลงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสมราศ์อยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอลลอฮ์ทรงประทานความสุขจำ دان นานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ก, กับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนาน า, นาชนิด ผลไม้และอาหารพวกเนื้อชนิดต่างๆความต้องการและความปรารถนาและอื่นๆจากนี้ในจําพวกของความสุขสําราญไม่เคยพบเคยเห็นและนึกคิดมาก่อนเลยวันนี้ได้กล่าวถึงสารของมูฮัมหมัดสุลล็อห์อะเลวัสลัมโดยที่อล้อนได้โปรดปรานให้แก่มูฮัมหมัดด้วยการเป็นนบีและเป็นรอซูลดังนั้นมูฮัมหมัดจึงไม่ได้เป็น นักเล่นกลหรือเป็นคนวิกลจริตตามคากล่าวอ้างของพวกปฏิเสธบทนี้ได้กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่เป็นความเพี้ของพวกมุสลินที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมและได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดหนักแน่นพร้อมกับได้นําหลักฐานที่บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงของสารของมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ ในตอนท้ายของบทได้จบลงด้วยการเน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธาและบรรดาจเจวตของพวกเขาโดยการประนามและการตําหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาจของพวกเขาและใช้ท่านรอสูลุลลอฮฺสัล ล, ลัลลอฮฺอัลลอฮฺสละมอดทนต่อการถูกทําร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความที่เหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัตตูด พระ AH อัลลอ์ทรงเริ่มต้นบทด้วยการสาบานต่อภูเขาอัตตูตซึ่งพระองค์ทรงสนทนากับท่านนาบีมูซาอะัยฮิสลามดังนั้นภูเขาอัตตูดจึงได้รับแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าทำให้เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่มีเกียรติเหนือบรรดาภูเขาทั้งหลายในโลก ด้วยพระนามของมะลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานต่อผู้เขาอัตูรตตรขอสาบานต่อคำพีที่ถูกจ่ารึกไว้ิในม้นนมวนกระดาษหรือหนังที่กลางแผ่ ขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชนช่วงในวันเกีย ب ب รติ์มาแท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีผู้ใดจะปกป้องมันได้ไม่มีผู้ใดจะปกองมันได วันดีฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างโลกาหุ่และเที่เขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจาด ด, ดังนั้นความหายนณะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ บันดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการและเล่นอย่างไร้สาระวันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกอย่างนำอย่างถักสายไล่สุงนี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเเเจ้าคยปฏิมันนี่คือเลขคนหรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็นจงเข้าไปเผาไหม้ในนั้น พวกเจ้าจะทนได้หรือไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสําหรับพวกเจ้าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทําไว้เท่านั้นอุกแท้จริงบรรดาผู้ยังเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์และความสุขสำราษฎรกแท้จริงบรรดาผู้ ได้รับความสุขอันล้นพ้นตามที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของนรกกููลวช บ, วบุุุฮาานนนนนีอิมะ พวกเจ้าชาวสวรรค์จงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามผลงานที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดนอนเอกเนกบนเตียงเรียงเป็นแถวและเราได้พวกเขามีผู้ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์นอนเอกเนกบนเตียงเรียงเป็นแถวและเราได้พวกเขามีผู้ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์ ان ان และบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาลูกหลานของพวกเขาได้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการศรัทธาเราได้ให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขา และเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาต้องลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใดแต่และคนจะรับการประกันในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และเราจะเพิ่มภูนให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการแะจะนาจะอยู่ที่แห่เคสแล้นั่งที่แห่และจะที่ เขาจะเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์จะไม่มีการพูดจาที่ไร้าสาระและไม่มีการทำบาป ม, ม, ม, ม, ม, มีเด็กวัยรุ่นของพวกเขาวนเวียนรับใช้พวกเขาเสมือนว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเช่นไข่มุกที่ปกปิดเอาไว้ ระบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากันสอบถามซึ่งกันและกัน وا, พวกเขากล่าวว่าแท้จริงแต่ก่อนนี้ในโลกดุนยาพวกเราก็อยู่กับครอบครัวของพวกเราเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการลงโทษของอัลลอฮ์นัลลอฮอลัยนาวะวะอานาอลดาบัส ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษอินนั e ้นนามินกัลลุนัดูห์อินนัฮุวะลบรุรรหีมถ้าจริงเราได้บิงว์อนขอต่อพระองค์ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อผู้ทรงเมตตาเสมอ ดางนั้นเจ้าจงกล่าวเตือนเนื่องจากความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าจึงไม่ได้เป็นหวนและไม่ได้เป็นบ้าหรือพวกเขากล่าวว่า เจ้าเป็นกวีที่เราคอยภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงคอยความตายเถิดแท้จริงฉันก็อยู่ในหมู่ผู้รอคอยร่วมกับพวกเจ้า หรือว่าสติปัญญาของพวกเขาใช้พวกเขาเชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝา่าฝืนหรือพวกเขากล่าวว่าเขาได้ปั้นแต่งคำเพียอุลการานขึ้นเองเปล่าดอกพวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก ทันทนนน้นั้นพวกเขาจึงนํำคากล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริง อ, อ ห, หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได้ หรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเปล่าเลยพวกเขาไม่เชื่อตั้งหากหรือว่าพวกเขามีขุมทรัพย์แห่งพระผู้บิบานของเจ้า หรือว่าพวกเขาเป็นผู้มีอำนาจจัดการอ ล, ه, ลรรหรือว่าพวกเขามีบันไดเพื่อพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าดังนั้นก็จงให้คนที่ฟังในหมู่พวกเขานำหลักฐานอั น, นชัดแจ้งมาหนาอว่า หรือว่าพระองค์ทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคน م م م م หรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาฉะนั้นพวกเขาจึงมีภาระนี้สินที่หักอม่าพวกเจ้าขอค่าจ้างกเขา หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว้อหรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้ายอมม الله, หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจฉา Allah มหาบริสุทธิยิ่งด่อาอัลลอฮ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งพาที ว, อ า, วมมาออสสขั้นเมื่อพวกเขาเห็นทิ้นส่วนหล่นลงมาจาก ฟ, าฟ้าฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆรวมตัวะดดมัยุุลลููเี ดังนั้นจงปล่อยพวกเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะพบวันของวันพวกเขาซึ่งในวันนั้นพวกเขาจะถูกทำให้เป็นลมหมดสติไปเองวันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขา และพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยและวแท้จริงสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้วแส้ิริุกมิรับ ا أ บรรดาผู้อานั้นจะได้รับการลงโทษอืนจาั้นิกแต่นมากู ดังนั้นพวกเจ้าจงอดทนต่อพระบัญชาของพระผู้อิบาลของเจ้าเพราะแท้จริงนั้นเจ้าอยู่ในสายตาของเราและจงแท้สองสรดุดีด้วยการสันเสริญพระผู้อิบาลของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแท้สองสรดุดีพระองค์แต่ยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว